อัตชีวประวัติของวสิ์อินทเสาข้าพเจ้าเกิดที่ตำบลท่าสาลาอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2477สถานที่เกิดเป็นเนินดินที่ภาษาทางใต้เขาเรียกโคกมีต้นมะม่วงหิมะพานอยู่เต็มในบริเวณนั้นต้นมะม่วงหิมะพานนั้น ภาษาทางใต้เรียกยาร่วงแปลว่าข้าพเจ้าเกิดที่โคกยาร่วงหรือเนินป่าต้นหิมพ า, านเมื่อข้าพเจ้าโตแล้วได้เห็นว่าบริเวณนั้นเป็นป่าทั้งหมดจึงเป็นบ้านที่อยู่ในป่ามีป้าผู้ใจดีตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กันเป็นพี่ของแม่ชื่อป้ากลับมีลูกสาวสองคนอายุมากกว่าข้าพเจ้า หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงสงบเงียบเพราะเป็นป่าเสียส่วนใหญ่มีลำคลองทอดยาวมาจากเขาแก้วลงสู่ทะเลสาบสงขลาตรงตำบลปากบางอำเภอรัตตภูมิข้าพเจ้าได้ทราบจากผู้ใหญ่ว่าต่อมาแม่ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ตำบลบ้านตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งณที่นั้นมีญาติอยู่มากเช่นน้าน้องของแม่ แด้ต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเหนือขึ้นไปมีญาติฝ่ายพ่ออยู่มากเรียกหมู่บ้านหนองหวาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสองหมู่บ้านนี้อยู่พนละฝั่งทะเลสาบกับอำเภอรัต ภ, ภูมิถ้าจะเดินทางไปหากันต้องไปทางเรือส่วนมากจะเป็นเรือใบญาและปู่อยู่ที่บ้านหนองหวานี้มีพี่สาวที่ใจดีคนหนึ่งลูกของป้า ชื่อพี่ท่ายจิตพักดีวันเดือนปีเกิดของข้าพเจ้าแม่ได้บอกให้ทราบไว้ตั้งแต่พอจําความได้ว่าถ้าใครถามให้บอกว่าเกิดปีจอวันจันทร์เดือนสิบข้าพเจ้าก็ท่องตลอดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กใครถามก็ตอบได้ทันทีที่มาทราบว่าเกิดวันที่สิเจ็ดเดือนกันยายนพุทธศักราช2477ดนั้น เมื่อขพ้าเจ้าได้มาบวชเป็นสั ม, มเดณที่วัดบุพารามแล้วเมื่อพุทธศักราช 2,490 โดยที่ท่านอาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชดิลกเวลานั้นยังเป็นพระมหาหลงกิติสาโรอยู่ท่านชำนาญทางโหราศาสตร์ได้นำวันเดือนปีเกิดที่ขพ้าเจ้าท่องมาเทียบกับปฏิทินโหราศาสตร์ ว่าตรงกับวันที่17กันยายนพุทธศักราช2477เวลานั้นข้าพเจ้าอายุ13ปีซึ่งจะเล่ารายละเอียดข้างหน้าข้าพเจ้าเกิดที่อำเภอรัตภูมิแต่มาเติบโตที่อำเภอเมืองเมื่อแม่ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านตากแดดตำบลปากรอข้าพเจ้าจำความได้ไม่นานแม่ก็สิ้นชีวิตด้วยโรคไข้ธรรมดาเมื่อข้าพเจ้าอายุได้ห้าขวบ พ้อนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนบ้านของข้าพเจ้าอยู่ติดกับบ้านของนาซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่าน้าบ่าพัญญาชื่อแช่มซึ่งเป็นนาสะพายมีลูกหลายคนทั้งหญิงและชายข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมดหกคนเป็นชายสี่หญิงสองข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพี่ชายคนที่สองทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่อย่งเล็ก คงยังเหลือเติบโตมาห้าคนคือสุเมอินทศระเสียชีวิตแล้วนรินทร์อินทศระเสียชีวิตแล้วขัดบุญประกอบเสียชีวิตแล้วข้าพเจ้าวาสินอินทศระคล่องจิตการจนะมูสิกปัจจุบันอยู่ที่ตำบลปากบางอำเภอรัตภูมิเมื่อแม่เสียชีวิตแล้วพ่อไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน พี่ชายคนโตก็ไม่ได้อยู่บ้านพวกเราซึ่งยังเด็กๆ ก, กันอยู่ก็กำพร้าทั้งพ่อและแม่ป้ากลับผู้มีน้ำใจอารีต่อลูกหลานได้แบ่งมาเอาหลานไปสามคนไปเลี้ยงที่อำเภอรัตภูมิคือนรินขันและครองจิตคงเหลือข้าพเจ้าให้อยู่กับนาที่บ้านตากแดดตอนนั้นข้าพเจ้าอายุได้ห้าขวบพุทธศกราช2482 พอช่วยเ้าทํางานได้บ้างเล็กๆได้น้อยตามภาษาเด็กเมื่ออายุแปดขวบจึงได้เข้าเรียนหนังสือชั้นเตรียมประถมที่โรงเรียนประชาบาลบ่อสายตําบลปากรออําเภอเมืองจังหวัดสงขลามีศาลาอยู่หลังหนึ่งเป็นโรงเรียนทั้งหมดเด็กแลกชั้นเตรียมประถมให้เรียนที่ใต้ต้นประดู่มีสะใหญ่อยู่สะหนึ่งอยู่ระหว่างศาลากับต้นประดู่ นักเรียนหิวน้ําก็ไปวักน้ําในสระกินแต่ห้ามไม่ให้ใครลงไปไว่ายน้ําเล่นคราวใดปิดเทอมป้ากลับก็จะมารับไปอยู่ที่อำเภอรัตภูนข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เพราะมีป่ามากและมีผลไม้ให้เก็บกินหลายอย่างลูกสาวคนแรกของป้าชื่อพี่เชือ้อได้โอบไหลข้าพเจ้าไปหาผลไม้ในป่ากิน ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอย่างประหลาดซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อนความรู้สึกอันนั้นยังแนบสนิทอยู่จนบัดนี้พี่เชือญเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วคือพุทธศักราช 2,548 เมื่อเปิดเทอมข้าพเจ้าต้องกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ่อทรายโดยเดินไปเรียนทั้งไปและกลับระยะทางประมาณ2กิโลเมตร เสื้อผ้าและอาหารนั้นขาดแคลนมากไม่ต้องพูดถึงรองเท้าเด็กนักเรียนเดินเท้าเปล่ากันทั้งนั้นพุทธศักราช2484เกิดสงครามโลกครั้งที่สองยิ่งขาดแคลนหนักขึ้นไปอีกกางเกงที่นุ่งไปโรงเรียนปะแล้วปะอีกกางเกงที่นุ่งอยู่กับบ้านและนุ่งไปโรงเรียนคงมีไม่เกินสองตัวปะแล้วปะอีกจนหาเนื้อเดิมไม่ได้ เสื้อนั้นมีไว้สำหรับผูกคอไม่ได้มีไว้สำหรับใส่พิธีผูกคอก็คือเอาแขนเสื้อทั้งสองโอบมามัดคอไว้ตัวเสื้ออยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวหนาวเพราะที่นั่นไม่เคยหนาวและเป็นการถนอมเสื้อไม่ให้ขาดจะไม่นุ่งกางเกงไปโรงเรียนก็ดูกระลายอยู่ความขาดแคลนปจัจจัยสี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีอยู่เป็นอันมาก ธรรมดาไม่เกิดสงครามก็ขาดแคลนอยู่แล้วถึงหน้าแรงก็แห้งจริงๆผู้ใหญ่ต้องไปตักน้ำในที่ไกลๆจึงจะได้น้ำมาปีบสองปีบไกลหลายกิโลทีเดียวหน้าฝนน้ำก็ท่วมเจิงนองไปหมดทั่วท้องทุ่งมองเห็นพื้นน้ำขาวสุดสายตาอาหารที่ชาวบ้านหาได้เป็นหลักก็คือปลาในท้องทุ่งข้าวพอมีกินเพราะทานาเอง ย้อนระลึกดูแล้วความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทสมัยนั้นน่าสงสารมากจำไม่ได้ว่ากี่เดือนหลังจากที่แม่ตายแล้วพ่อก็มาที่บ้านนาบ่าวตอนนั้นบ้านของแม่ได้เป็นเรือนข้าวเปลือกของนานาได้เรียกข้าพเจ้าไปหาพ่อท่านเรียกข้าพเจ้าไปกอดรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าจำได้ว่าได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อ แล้วพ่อก็จากไปเข้าใจว่าคงไปพักที่บ้านปู่และยา่าต่อมาอีกไม่กี่เดือนน้าจิตที่บ้านหนองหวามาแจ้งข่าวว่าพ่อได้เสียชีวิตเสียแล้วข้าพเจ้ายังเด็กเกินไปที่จะเสียใจจึงได้แต่ยืนเฉยๆจาได้ว่าวันที่เผาพ่อนั้นน้ําท่วมใหญ่คนหามศพต้องหามลุยน้ํากันไปข้าพเจ้ายังเล่นน้ําตามไปด้วย เรียนหนังสืออยู่ทคโนโยนบ่อสายได้สามปีพอจบปสองตอนนั้นทราบว่าพี่ชายคนโตคือพี่สุมเมศไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดภูตะบรรพศตำบลชะแลอำเภอสิงหันคนครจังหวัดสงขลาโดยคําขอร้องของปู่และยา่าข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านตากแดดด้วยความลาบากและอดทน บังเอิญมีเหตุให้นะตัดสินใจนำข้าพเจ้าไปไว้ที่วัดภูตะบันพธท์ที่พี่ชายบวชอยู่ตกลงว่าได้ไปอยู่เป็นเด็กวัดอยู่กับพี่ชายแต่ความเป็นอยู่ก็ยังคงอัตคัดขาดแคลนตามราษาเด็กวัดบ้านนอกอาหารได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างน้อยวันที่ได้กินครบสามมือ้อ เมื่อเรียนป .3 ที่โรงเรียนประชาบาลวัดชะและตำบลบางเขียดปัจจุบันเป็นอำเภอสิงหานครห่างจากวัดภูตะบันพธ์เพียงเล็กน้อยเดินประมาณสิบนาทีก็ถึงแล้วตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่อาหารและน้ำตอนกลางวันเป็นอันไม่ต้องพูดถึงกันเลยคือไม่มีกินของขายก็ไม่มีถึงจะมีของขายก็กินไม่ได้ พาะไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวเหมือนเหมือนกันทุกคนเด็กที่พอกินข้าวกลางวันได้บ้างตอนพักเที่ยงก็เห็นจะเป็นเด็กที่อยู่วัดและนั่นเองมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อขอมเป็นเด็กวัดและเขาชวนไปกินข้าวกลางวันบ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้ไปกินเลิกเรียนกลับมาวัดได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างมีอุบาสิกาบางคนที่อยู่ข้างวัด เขารู้สึกเอ็นดูบอกว่าวันไหนไม่มีข้าวเย็นที่วัดให้ไปกินที่บ้านเขาแต่ไม่ค่อยได้ไปปู่กับย่าก็สั่งเหมือนกันแต่บ้านปู่และย่าอยู่ไกลเหลือเกินต้องเดินเป็นชั่วโมงจึงจะถึงจึงไม่ค่อยได้ไปปู่กับย่าเป็นคนใจดีลูกหลานรักและคนในหมู่บ้านก็เคารพนับถือเคยพูดกับข้าพเจ้าว่า เมื่อเรียนจบชั้นประถมแล้วก็จะส่งให้เรียนต่อชั้นมัธยมแต่น่าเสียดายเมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นป .4 ปู่และย่าก็ล้มป่วยลงพร้อมกันเลิกโรงเรียนแล้วข้าพเจ้าก็จะรีบกลับมาเยี่ยมปูแ่และย่าและร้องไห้โหโหทุกครั้งที่มารู้สึกหมดที่พึ่งในที่สุดปู่และย่าก็สิ้นชีวิตลงพร้อมกันดูเหมือนจะห่างกันคนละวัน เก็บศพไว้ที่บ้านสองสามวันแล้วก็เผาพร้อมกันข้าพเจ้ากลับไปอยู่วัดอย่างเดิมเมื่อเรียนอยู่ป .4 จำได้ว่าน้าแดงน้องของพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านโคกโพใกล้ๆบ้านหนองหวานั่นเองทางใต้จะเรียกน้องของพ่อหรือน้องของแม่ว่าน้าเหมือนกันหมดทางรัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเด็กยากจนได้นําผ้าไปแจก ไม่มีชื่อของขพเจ้าอยู่ด้วยหน้าแดงได้ทักทวงขึ้นว่าขพเจ้าไม่ได้เป็นเด็กยากจนหรือทำไมจึงไม่ได้ขพเจ้าจึงได้ผ้ามาผืนหนึ่งจำได้ว่าเป็นสีกรมท่าใช้นุ่งก็ได้ห่มก็ได้ขพเจ้าดีใจยิ่งนักใช้ผ้าอย่างทนุถนอมคืนหนึ่งมีการแสดงหนังตะลุงที่เชิงเขาวัดภูตะบรรพศที่นั่นเป็นป่าช้าด้วย ภาษาทางใต้เรียกว่าเปลวข้าพเจ้าได้ไปดูหนังตะลุงแล้วเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาผ้าห่มหายไปเสียแล้วเป็นความทรงจําที่ไม่รู้จักลืมเลือนถึงความรู้สึกขนาดนั้นว่าเสียดายเพียงไรเรายังเด็กมากจะไปหาโจรที่ไหนได้เล่าข้าพเจ้าชอบศิลปินหนังตะลุงเป็นสิ่งที่นิยมชม ช, มชอบมากเมื่ออยู่วัด บางคืนก็หนีไปแสดงหนังตลุงเองตอนนั้นคงจะอายุสักสิบสองสสมีเพื่อนๆนเด็กวัดด้วยกันช่วยกันเอาวัสดุเท่าที่จะหาได้มาแทนโมงหิ่งและกรองเป็นต้นภาคหนังตลุงอยู่ได้ทั้งคืนกลับมาวัดตอนเช้าถูกท่านอาจารย์ลงโทษบ้างก็เพียงเล็กน้อยไม่หนักหนารุนแรงอะไรท่านอาจารย์ผู้ปกครองเวลานั้น ก็คือท่านประหลัดเมธซึ่งต่อมาเป็นพระครูถาวอนศิลคุณบัดนี้มรณภาพแล้วเจ้าวาดวัดภูตบันพศเวลานั้นคือท่านพระครูโสพนศิลาจารย์แดงท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสข้าพระเจ้าเรียนจบป .4 ที่โรงเรียนวัดชะและประมาณปีพุทธศักราช2489จำได้แม่น พอทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปดสวรรคตพอดีพระพี่ชายคิดจะมาเรียนหนังสือต่อที่จังหวัดสงขลาจึงได้เดินทางมาจังหวัดสงขลาพักอยู่ที่วัดมัชชิมาวาดซึ่งเป็นวัดหลวงและเป็นวัดใหญ่อาศัยพักอยู่ที่กุฏิท่านมหานิพนธ์ซึ่งต่อมาได้เป็นท่านพระครูนิเทศธรรมมาพรท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงทางวิชาการแล้วท่านติดขัดอะไรก็เขียจนจดหมายมาถามบ่อยๆโดยไม่ได้ถือตัวว่าเคยเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อพักอยู่ที่วัดมัชชิมาวาดนั้นมีเด็กรุ่นเดียวกันที่พักอยู่กับท่านมหานิพน์มากคนนอนกันที่ระเบียงหน้าห้องท่านเต็มไปหมดอาหารประจําวันก็คือผักบุ้งที่เด็กรุ่นโตไปซื้อมาจากตลาด นำมาแกรงรวมกับอาหารที่พระบิณฑบาตได้รู้สึกว่ากลิ่นอายของจังหวัดสงขลาเป็นที่ถูกใจยิ่งนักมันเป็นกลิ่นเมืองที่สงบเรียบร้อยสะอาดและผาสุกด้านตะวันตกเป็นทะเลสาบสงขลาด้านตะวันออกเป็นทะเลหลวงสมัยนั้นสงขลาเป็นเมืองที่สงบเงียบท่อระบายน้ำใสสะอาดนอนไม่ต้องกลางมูงไม่มียุงสักตัว อยู่ที่วัดมัชิมาว่ากี่เดือนจำไม่ได้ก็เดินทางมากรุงเทพเป็นไวยรวจักรของพระพี่ชายมาโดยทางรถไฟในปีพุทธศักราช2490เสร็จสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสองปีตอนนั้นทางรถไฟที่สุราษฎร์ขาดต้องลงเรือข้ามแม่น้ำแล้วมาขึ้นรถไฟอีกฝั่งหนึ่งรถไฟสุดทางที่บางกอกน้อยเวลานั้น มาพักที่วัดบรนาสิรีก่อนจำไม่ได้ว่ากี่วันแล้วไปพักที่วัดบุภารามทนบุรีกับท่านเจ้าคุณพระราชดิลกซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระมหาหลงอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคม2490ที่แรกพระพี่ชายตั้งใจไว้ว่าเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วก็จะส่งกลับไปบวชที่วัดมัชิมาวาาสงขาแรกทีเดียว พระพี่ชายไม่ได้ตั้งใจพาข้าพเจ้ามาจะให้บวชอยู่ที่สงขาแต่เพราะผู้ที่จะเดินทางเป็นวญญายวัจกรมาด้วยเกิดป่วยกระทันหันจึงให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนมาเมื่อพักอยู่ที่วัดบุพารามนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชดิลกซึ่งต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ ได้สืบสาวเรื่องราวว่าเข้าไปจะเป็นลูกใครเป็นหลานใครพอรู้ชื่อพ่อและปู่ท่านอาจารย์ก็รับไว้ให้บวชที่วัดบุพผารามทราบว่าเมื่อสมัยยังหนุ่มก่อนบวชท่านไปมาที่บ้านหนองหวาเสมอรู้จักปู่ของข้าพเจ้าและเป็นเพื่อนกับพ่อของข้าพเจ้าท่านมหาชริฐานายุตโตก็เป็นคนบ้านเดียวกันคือท่านอยู่บ้านห้วยพุธ จะมีส่วนในการมาของพระพี่ชายของข้าพเจ้าด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบท่านมหาศิริท่านนี้ต่อมาได้เป็นพระเทพกิติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีซึ่งเป็นธรรมยุทธตลอดเวลาที่ยังไม่ได้บวชเป็นสามเณร น, นางข้าพเจ้าปวดหัวยังรุนแรงทุกวันตั้งแต่เช้าพระเทีย์ขึ้นจนถึงเที่ยงวัน ยาไม่มีเกลนเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่รู้เป็นโรคอะไรหรือจะเป็นอย่างที่เขาเรียกกันว่าลมตะกังกระมังกําหนดวันบวชเนรเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าพรรษาแต่จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าใดเช้า ว, วันนั้นโกนผมแล้วยังมือนชี้สะอยู่ไม่ถึงกับปวดจำได้ว่าบวชตอนบ่ายเมื่อคลองผ้ากาสาวพัแล้วบวชเสร็จแล้ว อาการปวดศรีรษะที่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันไม่เป็นอีกเลยมาจนกระทั่งบัดนี้อายุ72